พระธรรมเทศนาลำดับที่16หโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมแก่ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าปล่อยวางตั้งใจสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้คณะศรัทธาญาติยงมฟังเพื่อเป็นที่เข้าใจ โดยมากครูบาอาจารย์พวกญาติโยมให้สังเกตดูเวลาอาราธานาศินท่านก็ให้ศิลแต่หลวงพ่อเนี่ยก่อนที่จะให้ศินจะให้อะไรไปต้องท้องอธิบายสปปรรพคุณซะก่อนแล้วบอกคุณค่าซะก่อนว่าคุณค่าของศินมีประโยชน์อย่างไรที่ที่เราจะต้องรับไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนโบราณรับมาเราก็รับไปศินของพระพุทธ เ, เจ้าท่านเป็นศินคุ้มทองโลกเป็นศิน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 ถึงมีศีลจึงรับสาศีลกัพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราพราะพรุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุ้เองโดยชอบจากนั้นก็ได้นําพระธรรมคาสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายแต่นี้พวกเราได้พิจารณาได้ทบทวนผู้มีปัญญาทั้งหลายในชาติบัานเมืองของเราในยุคก่อนเก่า พอใดมาพิจารณาดูแล้วสิลธรรมของพวกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิลคุ้มของโลกเพราะฉะนั้นจึงยึดพระธรรมคำสอนคือส่วนหนึ่งคือศิลเนี่ยที่พวกเราจะต้องได้รับรับสิลเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยสินข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคําว่าฆ่าคำนี้คือฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าคนถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่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 ข้อที่สามการเมสุมิชาจาราวีรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขารักสังวนห่วงแหนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาลูกหลานของเราเราก็รักถ้าเขาไม่ไม่เคารพสิทธิ์ของเราเขามาล่วงล้ำเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจถ้าเป็นของเขาเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินมาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีให้เคารพ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 เขามาต้มตุนหลอกลวงเราเราเสียใจไหมเสียใจถ้าเราไปทำไหมให้คนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันวันนั้นให้ระวัง <c oughs> อย่าไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาอันนี้คือสีนข้อที่สีข้อที่ห้าสุราเมรยาชะะประมาชการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสุราคือเล่า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 ทุกวันนี้มีมากแต่ยาประเภทไหนก็เถอะถ้าดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองผิดปกติขาดสติผูกง่ายง่ายเมื่อขาดสติแล้วคนที่ขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างคนนั่เมาสุราคนเมาเบียรคนเมายาบ้าคนเมาขันชายยาฝิ่นเฮโลอินขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข้าสามีภรรยาลูกหลานข้าวงศสาคณนา ย, ตยาตญาณมิตรสหายได้หมดจะขโมยสิ่งของของใครก็ได้ทั้งหมดร ะ, ะ, ะ, ะลับระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ทั้งหมดมุสาโกหกโตต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีสติยับยั้งขาดสติเพราะฉะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคน เมื่อเห็นคุณค่าของศีลแล้วก็ควรจะรักษาหรือรักษาไม่ได้ก็ควรจะปะนมมือว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงถ้าใครรักษาได้ยุคใดสมัยใดรักษาได้โลกในยุคนั้นจะมีความร่มเย็นผาสุขท่วนนากันถ้าโลกยุคใดขาดศีลธรรมแล้วโลกยุคนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดไปที่ไหนๆก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระแวงแแปลงใจกันเนีเพราะว่า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 ในหัวข้อเรื่องที่กราบเรียนว่าการดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่สุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไรขอการประดานานิมเหมือกับการดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สู่สุขอย่างยั่งยืนจะมีความสุขได้อย่างไรใช่ั้ยอย่างยั่งยืนนะะวันนี้นับว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่สู่หลวงพ่อมองมองดูแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่สี่สิบขึ้นไปแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อนี่ยนะก็เข้าวัยเข้าวัยสูงอายุเหมือนกันหลวงพ่อนอายุเดี๋ยวนี้หกสีบหกปีนะคณะสัทธาญาธโยมนะอ่แต่ลูกหลานบางคนแนตะ่ยังไม่กเกษียณที่มาอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อเนี่ย จะเข้าป่าเข้าเจ็ดสิบแล้วนะเออไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มนะเป็นหลวงปู่หลวงตาเออแต่หลวงพ่อเนี่ยประวัติของหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกเป็นเด น, นของหลวงปู่ล่าเป็นสมณี น, น, น้อยหลวงปู่ล่าวัดปู่เจาะ ก, ก่อหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีเอจากนั้นก็พอครบพอครบพระเออ เป็นสัมมาเรณ์ จ, จุแปดปี12ปีบวชพอครบพระอายุ20ปีหลวงพ่อก็บวชเป็นพระเป็นสัมมาเรณ์ จ, จุแปดปีจากนั้นก็อยู่กับหลวงปูล่ลานหนึ่งพันศาจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่จามพวกเราคงจะเคยไปวัดหลวงปู่จามเป็นหลวงอานนะั่นหลวงปู่จามอยู่กับหลวงปู่จามหนึ่งพันศาจากนั้นหลวงปู่จามพาขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำพรรษาที่วัดเจดีหลวง ไปลวงปู่จามไปจําันสาที่วัดเจดีหลวงแต่หลวงพ่อเนี่ยไปไปไปจําันสากับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูวัดดอยแม่ปังอําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้กลับลงมาจำมรนสาที่บ้านห้วยทรายกับงหลวงปู่จามเพราะญาติพี่น้องไปนิมนต์กลับลงมาอีกจากนั้นก็หลวงปู่จามก็อยู่ห้วยทรายตั้งแต่บัดนั้นแต่หลวงพ่อก็ได้ลาหลวงอาขึ้นมาเที่ยววิเวกมากราบหลวงปู่ ปูแว่นหลวงปูฉิมหลวงปู่ฟันหลวงปูสมัยหลวงปู่สิงทองหลวงปูสุพัฒน์แล้วก็ขึ้นมาหลวงกราบหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปูบัวน้องแสงจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่วัดป่าบ้านตาดปี 2,512 สมัยนั้นพรรษาเพียง4พรรษาเป็นพระน้อยเป็นเนนจุแดแล้วก็เป็นพระ4พรรษาที่มาอยู่องค์หลวงตาตั้งแต่มาอยู่กับหลวงตรง อยู่องค์หลวงตาเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ 2,512 ถึง 2,525 25, แล้วก็มาตั้งวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้นะจากนั้นก็ได้อยู่มาตลอดแตเ่เคยไปจำพรรษาที่บ้านเพิ่มปี 2,530 นะเมื่อสาราหลังนี้เสร็จจากนั้นก็ได้มาจำพรรษาต่อเนื่องกันนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้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 เราก็ต so be ้องรู้ว่าทางนอกก็คือข้างนอกเราทําหน้าที่อะไรข้างนอกทําอะไรให้ดีที่สุดทางนอกเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีเป็นพ่อที่เป็นแม่ให้ดีเมื่อเราในฐานะลูกเราก็ต้องทำหน้าหน้าที่ลูกให้ดีแอมอย่างไหมอย่างเลยที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นลูกของในพ่อแม่หลวงพ่อก็ได้นําพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อไม่ดูได้ขนาดเป็นพระนะหลวงพ่อจะไม่ดูได้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 แต่ก็ไม่ได้ออกไปในงานกระถิน่นงานใหญ่ๆหลวงพ่อจะไม่พูดง่ายๆว่าไม่ไปโชว์ตัวว่างั้นเถอะมอยู่แบบเรียบง่ายแแบบเวลาคนไปหมดแล้วก็มุดเข้าไปไปกราบไปไหว้สักการะปูชาไปกราบองคหลวงตาถ้าถ้าว่าหลวงตาไม่ไฟเนื้อเชื่อใจพวกเราเนึกอูัวจะมีพินายกรรมหลวงพ่อไหมอันนี้หลวงตาท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อยอยู่แบบเงียบเรียบง่ายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ มาเห็นวัดหลวงพ่ออยู่ในป่านรงพงไพยอยู่แบบเรียบง่ายแต่ท่านหงพ่อพอหลวงตาท่านมรณะภาพหลงท่านก็ให้เขียนพินในกรรมพระสีองค์คือมีหลวงปู่ฟักหลวงพ่ออินถวายกับหลวงพ่อปัญญาวัดโถและหลวงพ่อวันชยัยวัดภูสังโฆแต่หลวงพ่อวันชัยท่านก็ไม่สบายท่านก็มาช่วยงานไม่ได้ในงาน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 พระจำพรรษากับหลวงพ่อเนี่ยสี่ิบปดรูปหลวงพ่อก็พยายามทำหน้าที่อาจารย์ให้ดีที่สุดเหมือนกันเออคือเราอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยากจะให้ลูกสิทธ์ดีเราต้องทำดีให้ลูกสิท์ดูเราอยากจะให้ลูกดีเราต้องทำดีให้ลูกดูเราจะให้ลูกน้องดียากให้ลูกน้องดีเราต้องทำดีให้ลูกน้องดูนี่แหละอันนี้คื อ, คอผู้เป็นหัวหน้า ไม่ใช่แบบเหมือนกับแม่ปู่ลูกต้องเดินตรงนะแต่ตัวอือนตัวเองเดินงองแงก้งองแงจะให้ลูกเดินตรงได้อย่างไรนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในสถานะไหนจะทํรรมาดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรถึงเราจะ ท, ทําดีที่สุดขนาดไหนอย่างที่หลวงพ่อที่บรรยายมาตั้งแต่สมัมมาณีจนถึงเป็นพระเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ล่าถึงจะเป็นลูกของพ่อแม่ลูกพ่อมีพ่อมีแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่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 พระสงฆ์ทั้งหลายได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าในชาตินี้ไม่น่าอัจฉริยะเพราะเราได้บำเพ็ญมาแล้วถึงแปดถึงสีอสงไขยกําไรแสนมหากับเราพร้อมที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าบารมีของเราเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วแต่ชาติคนก่อนนั่นน่ะน่าอัจฉรย์กว่านี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าชาติชาติไหนพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง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 หมาเพียงอายุ1ิบเปีทําไมไม่ยืนเหมือนกบคนเขาว่าเต่าอายุถึงหลายร้อยปีนะเนอายุมันยืนต่างกันแต่ยุคนั้นสมัยนั้นบุญบารมีพระศรีอ่านอายุยืนนึกแปด0 0ื่นปีนะ พ, พระจัตพระศรีอ่านต่อไปภายภาคหน้านะี่ยแต่ของเราเนี่ยร้อยปีนี่ก็งอกแงกแล้วไม่ไหวแล้วมันเป็นยุคเป็นสมัยแต่จำไหมนะท่านว่าอายุท่านแสนแสนแสนกว่าปีแสนห้า0 0 0่ปี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 ในช่างเขาเลยเอาแหนบทองคำมาก็เลยมาถอนออกเช่นที่มันงอกมาท่านก็แบมือรับพระเจ้าไปเนี้ยก็แบมือรับมาก็เป็นเส้นผมงอกจริงๆพอเห็นเส้นผมงอกเท่านั้นแหละท่านสลดใจอย่างใหญ่หลวงเลยบอกโอ้โหอันนี้ความแก่มาถึงเราแล้วอันนี้คือบอกถึงความแก่ต่อไปถ้าแก่คนนี้ต้องก็ถึงจุดจบ ก, ก็คือความตายบัดนี้ความแก่มาถึงเราแล้วผมของเรางอกแล้ว เราจะไปหาความสุขในการเป็นอยู่ในคารวาสได้อย่างไรควรเราควรจะเสาะแสวงหาที่พึ่งอย่างอื่นเราควรจะสละราชสมบัติไปเป็นที่สีอยู่ในป่าบําเพ็ญพจนหาทางที่ไปสู่ภูมโลกจะดีกว่าจากนั้นท่านก็ได้มอบรางวัลให้แก่ในช่างการบกงามอย่างงามไปรูปเงินเท่าไหร่ยกบ้านสวยให้ยก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 แต่เราคิดได้ยังไงเราจึงเห็นเพเ่เกษาเพียงเส้นเดียวแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจบอกถึงความแก่เพราะนั้น เ, เมื่อเราได้สารละราชสมบัติแล้วเราก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าเป็นฤาษีบำเพ็ญรักษาศีลภาวนาจากนั้นเราก็ได้ออกจากชาตินั้นแล้วเราเข้าไปสู่พรมโลกนะอันนี้คือตัวอย่างที่ดี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 เราควรจะรักษาศีลห้าแล้วก็ควรจะไหว้พระสวดมนต์เราควรจะสมาทานศีลนั่งภาวนาปฏิบัติธรรม mm hmm. เพื่อหาทางพ้นภกในวัฏสงสารต่อไปเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ในในโลกมนุษย์นี่ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนพี่น้องปู่ย่า ต, ตายายญาติมิตรสหายของเราเราไปส่งขึ้นเมนไปป็โลกไปกลับไปบ้านเก่าไม่รูกก้ว่ากี่กี่ครั้งตกกี่คน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 มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานเพิดเพิดในหาไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่รักในรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมมีแต่อยู่ๆเป็นวันๆวันๆไปเหมือนกับคนไม่สสแสวงหาทรัพย์ในเมื่อออกจากชาตินี้แล้วเป็นจะย่างไงพวกเราไม่มิไม่มีเงินไม่มีเงินกว่า น, นู่นละ่ะไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐิชันช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าคนมีเงิน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 เอาต่อที่ไปรับพรเขโมูธนาให้พร